สวดมนต์หลังสวดมนต์เช้าเย็นเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สัพพสัตวให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรต่อกันและกันอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันอันนี้เป็นการตั้งจิตนะที่ประเสริฐมากเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับสัพพสัต เพราะว่าการเบียดเบียนกันนะย่อมนามาซึ่งความทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือว่านอกจากเราจะตั้งจิตปรารถนาะดีต่อสัตว์สัตว์แนละไ ม, ม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งจิตปรารถนาที่จะ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 ใจมันก็จะเริ่มหาเรื่องแล้วจะปรุงแต่งไปถึงผีสางนางไม้ได้เสียงกู่กากอะไรมันก็ปรุงแต่งว่าเป็นเสียงงูหรือว่าเป็นเสียงสัตว์ร้ายหรือเปล่าบางทีก็มโนไปว่ามีเสียงคนเดินอยู่รอบกุฏิจนหวาดผวาอันนี้ก็เป็นพิษภัยอีกอย่างหนึ่งนะ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 คนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งทุกวันนี้มีเป็นจานวนมากเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าใจมันไม่ไม่เป็นมิตรกับเราใจมันจะคิดแต่เรื่องร้ายๆจมอยู่กับความสูญเสียความเศร้าความเจ็บปวดความผิดพลาดทั้งๆ ท, ง ท, งที่สิ่งดีๆในชีวิตก็มีมากมายสิ่งงดงามก็มีรอบตัวแต่ใจมันก็จะหวนคิดหวนนึก นะย้ำนึกนะย้ำคิดแต่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เจ็บปวดนะที่โกรธแค้นนะจนกระทั่งล้มปว่วยนะโรคซึมเศร้าแต่แล้วหลายคนก็หาทางออกไม่เจอจนไม่ไหวก็ทำลายตัวเองก็มีใจนี่มันไม่เป็นมิตรกับเราที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรานะ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 ในร่างกายมันก็จัดการกำจัดไม่ให้เหลือหลอหรือควบคุมไม่ให้อาราวาดอย่างในร่างกายเราจะมีเชื้อโรคหลายชนิดทีเดียวนะแต่มันไม่ทำให้เราลป่วยเพราะว่ามันถูกคุมถูกจํากัด บ, บริเวณในร่างกายเรา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 ใช้ร่างกายแบบไม่สมบุกไม่บรรยัญญปย์บรรยงมีโยมคนหนึ่งนะก็จับว่าเป็นเศรษฐีนี่เดียวอายุ7จสบกว่าทำงานทำธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยชีวิตนี่ก็เรียกว่าราบรื่นน่าอิจฉาลูกห้าคนก็ มีอาชีพการงานที่มั่งมั่นคงสองคนเป็นหมอที่เหลือก็เป็นนักธุรกิจฐานะดีไม่เจ็บไม่ป่วยหลานก็ดีแต่ว่าเธอก็ยังครั่เคร่งกับงานแทบไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็น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 จึงต้องมาเจอแบบนี้ก็คือต้องมาล้มป่วยในโรคพากินสันในใจก็คงจะคิดว่าเนี่ยเราคงทำกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วอามาตอบโยมนี่ไปว่าเนี่ยโยมทำผิดแน่นอนผิดที่ไม่เชื่อฟังร่างกายร่างกายงโยมเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าฉันเหนื่อยเหลือเกิน พ, กพักสักพักสักหน่อย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 เราก็ไม่เป็นมิกับตัวเองเบียดเบียนตัวเองพูดเจ้ายังเคยจัดนาว่าคนผ่านปัญญาสามเนี่ยยอมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูทำกับตัวมันเป็นศัตรูเขาไงก็หมายว่าเบียดเบียนตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองกันด้วยหลายวิธีนะนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยก็คือการผิดศีลทำบาป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 เาไม่เข้าใจเราหรือว่าเขากั่นแกล้งเราใครทำอะไรกับเราเนี่ยนะมันก็ไม่ร้ายนะเท่ากับที่เราทำกับตัวเองหรือผู้อยางคือว่ า, าการที่เราปล่อยให้อกุศนต่างๆเข้ามาคร อ, อมงามใจของเราอันนี้ลองพิจารณาดูนะ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 นั่นคือการปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรืออารมณ์อกุศลครอบงำใจพอจะเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะมันทุกทรมานมากทุกกายก็ยังพอไหวแต่ถ้าปล่อยให้ทุกใจเมื่อไหร่นี่โอ้มันอยู่ไม่ได้มันมีมันมีภาสิาษษษทธัยที่คล้ายๆกันนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้เราเคยคุ้นเคยได้ยินนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก ครับที่อยู่ได้หมายความว่าที่มันจะคับแคบยป็นไงนะแต่ว่าถ้าใจอิสระปลอดโปร่งเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านที่โอโถง ก, กว้างขวา ง, วางคฤหาบแต่ใจเนี่ยมันคับแคบถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ด้วยความกรความเกลียดเนี่ยมันสุดแสนจะทนทานคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาคับที่นะเขาอยู่บ้านที่ใหญ่โต ก็มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มันคับใจนะเพราะว่าใจเนี่ยมันเรียกว่าขับแค้นมันคิดแต่เรื่องที่เป็นลบคอยสร้างคอยพาให้หวนิดแต่เรื่องที่เลวร้ายน่ากลัวกลัดกลุ้มบีบคั้นก็เลย ต้องทําร้ายตัวเองคนที่ขับที่จะเขาให้ขาดตัวตายนิดน้อยนะแต่ที่เขาตายเพราะคับใจมากกว่าไอดีคับใจเพราะอารมณ์อกุศลที่เข้ามาครอบงำแต่สุดท้ายใจมันก็สั่งให้เราทําร้ายตัวเองเราถึงแม้จะไม่ถึงขันนะ้นฆ่าตัวตายแต่ว่ามันก็ทำให้เรากรินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เราเจ็บป่วยเพราะความเครียดที่ยืดเยื้อเรื้อรัง เพราะความโกรธที่หมักหมมบางคนโกรธจนกระทั่งเสซเลยในสมองแตกมันโกรธปรี๊ดขึ้นมาก้อนนีแบบนี้โทษใครไม่ได้นะบานท้องโทษโทษใจนะที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือใจที่ไม่รู้จักให้อภัยแต่ผู้คนก็มองไม่เห็นตรงนี้นะก็จะมองมักจะมองว่าเราทุกข์เพราะคนอื่นเพราะคนอื่นเบียดเบียนเรากันแกล้งเรา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 ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูจะเข้ามาทำร้ายก่อความวุ่นวายในนครแห่งนีได้นพ้านั้ถ้าเราต้องการรักษาใจให้เป็นสุขนะหรือว่าทำให้ใจของเราเนี่ยนะมันไม่หวนกลับมาเป็นศัตรูกับเราเนี่ยต้องใส่ใจนะต้องดูแล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 จิตใจก็จะค่อยๆเชื่องแล้วก็ค่อยยอมรับแล้วก็พัฒนาขึ้นจนเป็นที่พึ่งของเราได้อย่าลืมนะที่พระพุทธศาสน า, าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ซึ่งถ้าพูดกับกันคือว่าจิตที่ไม่ฝึกเลยเนี่ยนะหรือฝึกไว้ผิดเนี่ยย่อมนำทุกมาให้เพราะนั้นคือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะต่อชีวิตของเรา ข้ามเรื่องเพื่อกับเท่านี้นะกลับครับ